จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดประโยชน์โดยมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อ ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความฉลาดรอบรู้เพื่อที่จะได้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงนามน การบำเพ็ญจิตภ า, าวนานั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงไรส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ปฏิบัติว่าเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกหรือเป็นสถานที่มีความพุกพล่านมีเสียงอึกทึกคึกโครมถ้าเป็นสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็จะเป็นสถานที่เอื้อเฟื้อ ต่อการปฏิบัติเช่นตามป่าตามเขาตามวัดวาที่อยู่ตั้งอยู่ตามเขาตามป่าหรือวัดที่มีกฎมีระเบียบที่เข้่งครัดควบคุมให้ทุกคนที่เข้ามาวัดนั้นตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อยถ้าเป็นวัดแบบนั้นก็เป็นสถานที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญ จิตตภาวนาเพื่อห้ามให้จิตใจนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขทำใจให้มีปัญญาดูแจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายแต่ถ้าเป็นสถานที่มีความอุกทึกครุกโครง ม, มีมหารสุกมีการไปการมาอยู่เรื่อยๆสถานที่อย่างนั้น ก็จะไม่เหมาะสมต่อการบําเพ็ญจิตภาวนานไม่สามารถที่จะช่วยทําจิตใจให้สงบได้ดังนั้นการบําเพ็ญจิตภาวนาจึงต้องคํานึงถึงคําว่ากายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกก็หมายถึงสถานที่ที่สงบสงัดถ้าสถานที่สงบสงัดแล้วจิตวิเวกก็จะปรากฏขึ้น คือจิตก็จะสงบสงัดตามดังนั้นผู้ที่จะบําเพ็ญจิตภาวนาจึงต้องคํานึงถึงสถานที่เป็นหลักเวลาจะไปบําเพ็ญจะไปวัดไหนก็ต้องสังเกตดู ว, ว่าเป็นวัดที่มีการปฏิบัติจริงหรือไม่ถ้าเป็นวัดที่มีแต่โมหระรศกมีงานต่างๆอยู่ตลอดวันตลอดคืนมีงานสุขมีงานบุญมีงาน ปิดทองฝังลูกนิบิตมีงานอะไรต่างๆร้อยแปดพันประการมีมหาราศทุกชนิดเข้าไปตั้งอยู่ในวัดถ้าอย่างนั้นแล้วสถานที่อย่างนั้นก็ไม่เหมาะต่อการบาเพ็ญส ม, มนาธรรมคือความสงบวัดจึงต้องเป็นวัดที่เป็นวัดจริงๆทุกวันนี้วัดก็มีหลายรูปแบบด้วยกันวัดที่เป็นแบบศูนย์การค้าก็มีคือมี ข้าวของขายมีมหรศพให้ดูมีร้าอาหารให้รับประทานมีสุรายาเมาจําหน่ายเหล่านั้นเราจะเรียกว่าวัดก็วัดแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่สภาพความเป็นจริงแล้วไม่ใช่วัดในทางพระพุทธศาสนาเพราะวัดในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเป็นวัดที่มีความสงบไกลาจากเรื่องวุ่นวายต่างๆ เรื่องการค้าขายซื้อข้าวซื้อของเรื่องร้านอาหารเรื่องมอหาลศพต่างๆนั้นไม่ควรที่จะมีอยู่ในวัดเพราะวัดนี้เป็นวัดที่มีไว้เพื่อบำเพ็ญสัมณธรรมบำเพ็ญความสงบนั่นเองดังนั้นวัดยังต้องเป็นกายวิเวกก่อนถ้าวัดไม่เป็นกายวิเวกแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นวัดอีกต่อไป ผู้ที่จะไปวัดก็ควรที่จะคำนึงถึงคุณสมบัติของวัดว่าเป็นอย่างไร <Yeah. S 1> เพราะพระพุทธศาสนานั้นเป้าหมายที่แท้จริงนั้นพุ่งไปที่ใจของสัตว์โลกทั้งหลายต้องการให้สัตว์โลกนั้นได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก เพราะถ้าผู้ใดสามารถนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในจิตในใจแล้วจิตใจของผู้นั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นจิตใจที่มีที่พึ่ง ม, มีีมีภูมิคุ้มกันทุกทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้นี่คือจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาคือ สอนให้คนได้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษสอนให้รู้จักวิธีการทำจิตใจให้สงบให้มีความสุขดังนั้นเรื่องการก่อสร้างต่างๆเช่นการเรียร้ายขอเงินขอทองจากศรัทธาญาติโยมนั้นจึงไม่ได้เป็นเป้าหมายของทางาศาสนาพระพุทธเจ้าถึงแม้จะ สัสรูเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ไดประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนสัตว์โลกมาตลอด 45, สี่สิบห้าพันศาพระพุทธองค์ไม่เคยเรียรายเงินจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยเอาบาทมาตั้งไว้ที่หน้าธรรมราชเวลาแสดงธรรมแล้วให้คนเอาเงินมาใส่บาทเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรง สแสดงธรรมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีความโลภในลาภสักการะเลยมีแต่พระกรุณาคือความสงสารสัตว์โลกอยากจะให้สัตว์โลกนั้นได้มีหูตาสว่างขึ้นเพราะจะได้อยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอยู่จากไกลอยู่ไกลจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือเป้าหมายของพระพุทธเจ้า ที่ทรงประกาศพระาศาสนาเพื่อจิตใจของสัตว์โลกโดยแท้จริงต้องการให้สัตว์โลกนั้นสามารถชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดให้ได้เพราะจิตใจของสัตว์โลกนั้น ท, ทุกรายมีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหอมองหุ้มห่อจิตใจอยู่ถ้ามีกิเลสตัณหาหุ้มห่อจิตใจอยู่มากน้อยเพียงไร จิตใจก็จะต้องมีความเศร้าหมองมากน้อยเพียงนั้นตามไปดังนั้นหน้าที่ของสัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาความสุขที่ไม่ต้องการประสบกับความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องย้อนเข้ามาดูแลที่ใจของตนเองเป็นหลักเพราะใจของตนนี่แหละเป็นผู้ที่รับความสุขหรือรับความทุกข์และใจของตนเองนี่แหละเป็นผู้สร้างความสุข และความทุกข์ให้กับตนเองถ้าย้อนเข้ามาที่ใจนำเอาพระธรรมคำสอนซึ่งเปรียบเหมือนน้ำสะอาดมาชำระกิเลสตัณหาโมหะวิชาความมืดบอดความไม่รู้ให้หลุดลอยออกไปจากจิตจากใจแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตที่มีความสว่างแห่งปัญญามีดวงตาเห็นธรรม เรียกว่ามีธรรมะจากสุมีสามารถรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ได้อย่างชัดเจนซึ่งต่างกับผู้ที่ยังมีโมหะอวิชชาครอบงาจิตใจอยู่จะเป็นผู้ที่เห็นกับตาลปัดเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นนรกเป็นสวรรค์อย่างที่พวกเราทั้งหลายเห็นกัน พวกเรานั้นยังไม่เห็นตามความเป็นจริงเรายังเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นความสุขทั้งๆ ท, ที่มันให้ความทุกข์กับเราเพราะเราขาดปัญญาเราขาดการบาเพ็ญสมณธรรมคือการเกิดการเจริญจิตตภาวนาทางด้านสมถะและวิปัสสนานั่นเองดังนั้นการที่เราเข้าวัด เราจึงควรคำนึงถึงเรื่องการบําเพ็ญจิตตภาวนาไว้เป็นหลักมีโอกาสควรที่จะให้ความสนใจศึกษาทําความเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติอย่าไปคิดว่าการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นหน้าที่เป็นงานของนักบวชเพียงนิอย่างเดียวเพราะว่างานจิตตภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับการ ดูแลรักษาจิตใจนั่นเองจิตใจของคนเราทุกคนนั้นต้องการได้รับการดูแลรักษาทำนุบารุงเหมือนกับร่างกายของเราพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นครหัดผู้ครองเลือนเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายของเราเหมือนเหมือนกันต้องรับประทานอาหารต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ต้องมีบ้าน ไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนไว้มียาต้องมียาไว้สำหรับรักษาโรคทางร่างกายจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายก็ต้องอาศัยการทานุบารุงดูแลจิตใจก็ต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามไว้ใสจิตใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยจิตใจก็ต้องการยารักษาโรคเช่นเดียวกัน การบำเพ็ญจิตภาวนานี่แหละจังเป็นวิธีที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่จิตต้องการนั่นเองเวลาระบาเพ็ญจิตภาวนานแล้วก็เท่ากับให้อาหารกับจิตใจให้เสื้อผ้าอาภร์ที่สวยงามกับจิตใจให้ที่อยู่อาศัยกับจิตใจให้ยารักษาโรคกับจิตใจเพราะเวลาเราทำจิตใจของเราให้สงบนั้น จิตใจเราก็จะเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมามีความสุขมีความพออยู่ในจิตในใจไม่หิวไม่กระหายอยากที่จะไปไหนมาไหนไปดูนั่นไปฟังนี่ไปรับประทานสิ่งนั้นไปดื่มสิ่งนี้จะไปเล่นจะไปเที่ยวอย่างไรนั้นในขณะที่จิตใจมีความสงบแล้วจะไม่รู้สึกหิวกระหาย กับสิ่งต่างๆเลยและในขณะที่จิตสงบนั้นกายวาจา ก, ก็สงบเรียบร้อยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไปไหนไปอยู่กับใครผู้ที่มีความสงบกายสงบวาจาซึ่งเกิดจากความสงบของจิตใจบุคคลคนนั้นก็จะเป็นบุคคลที่สวยงามเพราะเป็นคนที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ใจิตใจที่มีความอิ่มแล้วจะไม่หิวกระหายที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาบุตรที่ดาของผู้อื่นเพราะว่าใจิตใจนั้นมีความสุขมีความอิ่มพออยู่ในตัวของตนเองนั่นเองดังนั้นเวลาอยู่กับใครก็จะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมนั่นเอง ไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปประพฤติผิดประเวณีจะไม่ไปพูดปดมดเท็ดโกโหกหลอกลวงเพื่อที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบุคคลนั้นหรือบุคคล น, นี้จะไม่ไปทําร้ายชีวิตของผู้อื่นเพราะไม่มีความโกรธแค้นกดเคืองกับใครจิตใจที่สงบนั้นปราศจากสิ่งต่างๆที่เลวร้วายที่พวกเราทั้งหลายไม่ปรารถนากันเราจึงไม่ควรมองข้าม การทำจิตใจของเราให้สงบเพราะเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วจิตใจของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยใครจะเป็นอะไรอย่างไรใครจะดีใครจะชั่วอย่างไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความดีความชั่วของเขาเพราะจิตของเรานั้นสามารถแยกออกจากเขาได้ ในขณะที่จิตมีความสงบความอุปทานยึดมั่นถือมั่นก็จะเบาบางลงไปสามารถปล่อยวางได้ไม่หลงไม่ลักแบบที่อยู่แบบขาดไม่ได้อย่างนั้นจะไม่มีในจิตใจของผู้ที่มีความสงบเพราะผู้ที่มีความสงบนั้นรู้ว่าเขาสามารถอยู่ได้ตามลําพังของเขาเขามีความสุขได้โดยอยู่เฉยๆโดยอยู่คนเดียว ถึงแม้จะไปอยู่ในปาใ่าในเขาห่างไกลาจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตใจของบุคคลที่มีความสงบนั้นจะไม่มีความรู้สึกว้าเหวเศร้าซ้อยน้อยเหงาเลยเพราะจิตใจนั้นไม่สามารถสร้างความรู้สึกเหล่านี้นขึ้นมาได้ในขณะที่จิตมีความสงบนั่นเองต่างกับพวกเราผู้ที่ไม่เคยบําเพ็ญจิตธรรมนา ผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกับความสงบเวลาไปอยู่ที่ไหนคนเดียวแล้วจะต้องเกิดความรู้สึกว้าวเวเกิดรู้สึกความเศร้าซ้อยหงอยเหงาปรากฏขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปแล้วก็อยากจะร้องไห้ไปนี่เป็นเพราะว่าจิตใจของเรานั้นไม่มีที่พึ่งไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองนี่แหละทําไมพวกเราจึงควรที่จะ ให้ความสนใจต่อการบำเพ็ญจิตภาวนาเพราะมันก็เป็นเหมือนกับดูแลอีกสิกหนึ่งของชีวิตของเรานั่นเองชีวิตของเรานั้นก็เปรียบเหมือนเหรียญที่มีอยู่สองด้านมีหัวและมีก้อยคือเรามีกายและมีใจกายเราก็ดูแลรักษาแล้วแต่ใจนี้เราไม่ค่อยได้ดูแลรักษาเท่าไหร่นอกจากไม่ได้ดูแลรักษาแล้ว เรายังกลับเอาพวกยาพิษเข้าไปใส่ในใจของพวกเราอีกเช่นเอากิเลสตัณหาเข้ามาใส่ใน ใ, นใจของเราเวลาเห็นอะไรชอบอกชอบใจอะไรก็เกิดกิเลสตัณหาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วก็ต้องนิ่นรนทะเยอทะยานแสวงเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าไม่ได้มาด้วยความสุจริตก็เอามาด้วยความทุจริตก็เท่ากับการนําเอายาพิษเข้ามาใส่จิตใจเอาความวุ่นวายเอาความทุกข์เข้ามาใส่ให้กับจิตใจนี่คือสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่อย่างสม่ําเสมอชีวิตของพวกเราจรึงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ได้อะไรมาก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็มีปัญหามีเรื่องมีราวตามมา ได้สามีได้ภรรยามาอยู่ด้วยกันไม่นานเมื่อข้าวยังไม่ถ่านดำก็เกิดการทะเลาะบอกแวงเกิดความเกลียดชังกันขึ้นมานี่ก็เป็นเทราว่าเราไปแสวงหาสิ่งที่มันเป็นโทษกับชีวิตของเรานั่นเองแต่เนื่องจากเราขาดปัญญาเราขาดสมาธิความสงบของจิตใจทำให้เมื่อเกิดความหิวเกิดความอยากแล้ว เห็นอะไรก็คว้ามาทันทีคิดว่าอะไรดีคิดว่าอะไรสุขก็คว้ามาทันทีโดยไม่ได้เคยใช้ปัญญาไตรตรองคิดดูให้รอบครอบเสียก่อนว่ามันสุขจริงหรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเหมือนกับขยะที่ถูกห่อด้วยกระดาษที่สวยๆงามๆแต่เราไม่รู้ว่า ของที่อยู่ในกล่องที่ห่อด้วยกระดาษที่สวยงามนั้นเป็นขยะเนี่ยแต่เมื่อเรามาเปิดดูขึ้นมาทีหลังเราถึงรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษวิสูเล ย, เ น, ยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเริ่มเห็นเราจะเริ่มรู้ ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราทั้งหลายทุกคนพยายามดิ้นโลนแสวงหากันนั้นมันมีความทุกข์มันมีโทษซ่อนเร้นอยู่ในตัวของมันถึงแม้มันจะมีความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ตามมาเขาเรียกว่าทุกขลาภเช่นเงินทองยกเป็นตัวอย่างคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินสามสิบล้านห้าสิบล้านมา ทีนี้อยู่ตามปกติไม่ได้แล้วต้องไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะมีเงินมีทองก็จะต้องมีคนที่จ้องที่จะมาขอมาขโมยมาปล้นมาจี้ไปอยู่ไหนเวลาไปรับเงินรางวัลก็ต้องหาคนคุ้มกันไปชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วแต่ก็ไม่คิดกันในเรื่องแบบนี้ เพราะความโลภความหลงมันครอบงำจิตใจอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีเงินมีทองมากๆเพื่อจะได้เอาไปใช้ซื้อความสุขแต่ไม่รู้หรอกว่ากําลังถูกความทุกข์ครอบงำจิตใจอยู่ด้วยความหวาดระแวงด้วยความไม่ปลอดภัยทั้งหลายที่มอคอยลุมแล้วอยู่ตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างสู้อยู่แบบธรรมดาปกติของเราดีกว่า เรามีเท่าไหร่เราก็อยู่แบบของเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยเพราะความจําเป็นต่อเงินทองนั้นมันก็เพียงแค่ปัจจัยสีเท่านั้นเองคนเราถ้ามีปัจจัยสี่แล้วชีวิตของเราอยู่ได้แล้วไม่ต้องมีปัจจัยที่หปัจจัยที่หเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์วิทยุโทรทัศน์เครื่องบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ มีไว้สําหรับคนที่มีจิตใจไม่สงบนั่นเองคนที่ขาดอาหารใจคนที่ไม่มีความสงบนี้ก็คือคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารทางด้านจิตใจก็ทำให้เกิดความหิวเกิดความกระหายเกิดความอยากที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะคิดว่าเมื่อมีมาแล้วจะมีความสุขแต่ที่ไหนได้เมื่อได้มาแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ไป ไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งต่างๆได้มาแล้วก็ต้องเป็นภาระไว้คอยดูแลรักษาถ้าเกิดสูญหายไปก็ต้องเกิดความเสียอกเสียใจตามมานี่ก็เป็นความทุกข์แล้วความห่วงความกังวลเกี่ยบสิ่งของต่างๆที่มีครอบครองอยู่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งสิ่งต่างๆนั้นล้วนสร้างภาระให้กับจิตใจทั้งสิ้นโดยที่เราไม่รู้เลย เพราะเราไม่เคยคิดกันนั่นเองแต่ถ้าเรามาคิดกันสักนิดคิดกันสักหน่อยแล้วเราจะรู้ว่าอยู่ตัวคนเดียวนี่แหละดีที่สุดมีอะไรน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะมีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นๆมีสามีก็ต้องทุกกับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกกับภรรยามีลูกก็ต้องทุกกับลูกเป็นห่วงลูกกังวลลูกลูกไม่ดีก็ละก็เสียอกเสียใจ ล้วนแต่มีเรื่องที่จะต้องสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เสมอคนที่อยู่คนเดียวไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์กับภรรยาไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกแสจะสบายแต่พอจิตใจมันโง่เขาเบาปัญญานั่นเองถูกกิเลสตัณหาคอยหลอกคอยล่ออ ย, ล อ, อยู่เรื่อยๆว่า น่าจะมีคู่นะอยู่คนเดียวไม่ดีเปล่าเปลี่ยวใจถ้าไม่ถ้าเราไม่คิดเองคนอื่นก็ดันมาคิดแทนเราบางทีคนอื่นเห็นเราอยู่คนเดียวก็อดทนไม่ไหวต้องมาคอยจ้ำจี้จ้ำชายถามอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีมันเรื่องอะไรของชาวบ้านเขาเล่าก็ตัวของเราเราอยู่ของเราตามลำพังเรามีความสุขอยู่แล้วเราไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว ทำไมชาวบ้านจะต้องมาเดือดร้อนแทนเราด้วยถ้ามีใครเข้ามาเดือดร้อนแทนเราก็อย่าไปกังวลขอให้เราทำจิตใจให้สงบเถิดถ้าทำจิตใจของเราให้สงบได้แล้วเราจะไม่สนใจเลยว่าใครจะพูดอะไรอย่างไรเพราะเราจะเห็นอยู่แก่ใจของเราเลยว่ามันไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับความสงบของจิตใจของเราขณะนี้จิตใจของเราสงบแล้ว เร า, ม, า ม, มีความอิ่มมีความพอแล้วแล้วจะวิ่งไปหาหาเซียนมาทาไมแกว่งเท้าไปหาเซียนหาหนามมาให้เจ็บตัวทาไมอยู่เฉยๆไม่ไม่ดีกว่าเหรอนี่คือลักษณะความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ได้บาเพ็ญจิตภาวนาทำจิตใจของตนเองให้สงบเมื่อจิตใจของตนมีความสงบแล้วก็จะมีความอิ่มมีความพอปรากฏขึ้นมาในจิตในใจ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องดิ้นนนลขวนขวายให้เหนื่อยให้ลําบากไปเปล่าๆทุกวันนี้ชีวิตของพวกเรานั้นที่มันทุกข์มันลําบากก็เพราะเกิดจากจิตใจที่ไม่สงบนี้เองเมื่อจิตใจไม่สงบแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พออยู่ตลอดเวลาต่อให้มีนากมีมากมีน้อยเพียงไรก็ยังรู้สึกไม่พออยู่นั่น มีเงินเป็นแสนก็ยังรู้สึกไม่พออยากมีเงินเป็นล้านพอมีเงินเป็นล้านก็ยังรู้สึกไม่พออยากจะมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านตามมานี่คือลักษณะของจิตใจที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการปฏิบัตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาวิปัสสนานั่นเองดังนั้นยึงอยากให้ท่านทั้งหลาย จงลองย้อนมาเข้าสู่พรทธธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังกันสักทีพยายามปล่อยวางสิ่งของต่างๆภายนอกสิ่งใดที่มันไม่มีความจําเป็นเราก็อย่าไปอยากได้ถ้ามีแล้วก็ใช้มันไปตามแต่ความจําเป็นก็แล้วกันถ้าไม่มีความจําเป็นก็ให้คนอื่นไปจะดีกว่า เช่นถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือเราก็ให้คนอื่นไปเสียหมดเรื่องไม่ต้องมากังวลหาเงินมาคอยเติมเงินเสียค่าโทรศัพท์ต่างๆนานาแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้ในการทำมาหากินเพื่อที่เราจะได้มีรายได้เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาถ้ารายจ่ายของเราที่เสียไปนี้มันน้อยกว่ารายได้ที่เราได้มาอย่างนี้เราก็เก็บมันไว้ใช้ได้ แต่ถ้าเราเก็บมันแล้วรายจ่ายมันกลับมีมากกว่ารายได้เก็บไว้ก็มีแต่ขาดทุนก็อย่าไปเก็บมันดีกว่าของต่างๆนั้นมันไม่มีความจําเป็นกับชีวิตของเรามันไม่ได้ให้ความอิ่มให้ความพอกับเราแต่มันจะคอยทำให้เรามีความหิวมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรามีของเก่าเดี๋ยวเราเห็นของใหม่ออกมาเราก็อดไม่ได้ที่อยากจะได้ของใหม่ แล้วมันก็มีของใหม่ออกมาล่อใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราปล่อยใจของเราให้ไหลไปตามกระแสของความอยากแล้วชีวิตของเราก็จะต้องดิ้นรนวิ่งหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากของเราเลี้ยงเท่าไหร่ก็จะไม่มีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอเลยแล้วดีไม่ดีเมื่อไม่มีปัญญา ไม่มีความสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆที่ตนเองอยากได้มาแล้วก็ยิ่งเกิดความเศร้าส้สสอยหงอยเหงาขึ้นมาอีกเช่นวันไหนอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปใช้เงินใช้ทองแต่วันนั้นไม่มีเงินทองต้องอยู่บ้านเท่านั้นก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจมีความเศร้าส้สสสอยหงอยเหงามีความเบื่อหน่ายอิดนาระอาใจตามขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราเคยบำเพ็ญจิตภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบเวลาไม่มีเงินไม่มีทองเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกอยู่ดีนั่นเองเพราะไม่มีที่ไหนหรอกที่จะสุขที่จะสบายเท่ากับบ้านของเราอยู่ที่บ้านของเรานี้มีพร้อมทุกอย่างมีเตียงนอนมีห้องน้ำมีตู้เย็นมีอาหารรัตถุดานมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสถานที่ปลอดภัย แต่งกายก็ไม่ต้องแต่งกายให้เสียเวลาอยู่อย่างบ้านใส่เสื้อผ้าตามสบายแต่เรากลับอยู่บ้านกันไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองเพออยู่บ้านแล้วจะต้อง เ, เกิดความรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาทันทีเพราะกิเลสมันเริ่มแสดงลวนลายบีบบังคับจิตใจของเรานั่นเองแต่ถ้าเราบำเพ็ญจิตตภาวนาจนจิตสงบแล้ว กิเลสตัณหาความอยากต่างๆมันก็สงบลงไปด้วยมันก็จะไม่มีอํานาจที่จะมาสร้างความรู้สึกคิวรู้สึกอยากกับสิ่งต่างๆที่จะมาคอยบีบคั้นให้เราเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะอยู่ในบ้านที่จะทําให้เราเกิดความรู้สึกเศร้าซ้อยหน่อยเหงาวทำให้เราต้องวิ่งออกไปข้างนอกไปหาความสุขภายนอก น, ะนี่แหละปัญหาคือของพวกเราเป็นอย่างนี้กัน เราถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขเลยเป็นแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะยักยั้งความอยากความต้องการในสิ่งต่างๆได้เพราะเราไม่คอยฝึกหยุดจิตหยุดใจของเรานั่นเองถ้าเรารู้จักหยุดจิตหยุดใจของเราแล้ว ชีวิตของเรานั้นจะอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากจุดเกินไปอย่างมากก็เพียงแต่หาปัจจัยสี่กืออาหารมาคอยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเสื้อผ้ามาใส่สักสองสามชุดก็พอเพียงแล้วบ้านมีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องปีบ้านราคาแพงๆเป็นราคา1ิบล้าน2ี่สิบล้าน อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มันปลอดภัยจากแดบจากฝ น, จา ก, ฝนจากลมก็พอแล้วนี่แหละชีวิตของพวกเราถ้าลองหันมาทําจิตใจให้สงบแล้วจะเป็นชีวิตที่มีความสบายมากไม่ต้องไปดิ้นรนมากไม่ต้องไปเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายมากกับสิ่งต่างๆ ต, ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องหง่มร้องไห้กับสิ่งต่างๆ เวลาสิ่งเหล่านั้นต้องจากเราไปมันก็จะไม่มีปัญหากับจิตใจของเราดังนั้นขอให้เราลองมาวัดกันหรืออยู่ที่บ้านก็ลองหัดนั่งสมาธิกันดูไหว้พระ ส, สวดมนต์ก่อนก็ได้ถ้าจิตใจไม่ยอมอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธก็สวดมนต์ไปก่อนในใจนั่งขัดสมาดหลับตาแล้วก็สวดอรหังสามมาไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจจะมีความรู้สึก สบายแล้วอยากจะหยุดสวดก็หยุดไปแล้วดูสังเกตดูว่าจิตยังมีความคิดยังอยากจะคิดนู่นคิดนี่หรือเปล่าถ้ายังอยากจะคิดนู่นคิดนี่ก็ลองบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปโดยมีสติคอยเฝ้าดูไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าพยายามทําอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงแล้วไม่แนะ่วันดีคืนดี มันอาจจะรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาเลยคือมันจะหยุดนิ่งมันจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผู้ถภะต่างๆมันจะไม่สนใจใ่ดีในขณะนั้นมันจะนิ่งเฉยอยู่ด้วยความร่มเย็น